ก็ความหนึ่งนะที่เราคุนรักตัวกลัวตายคนเราเนี่ยจะเรียกว่าร้อยทั้งร้อยเลยนะก็ล้วนแต่รักตัวกลัวตายแต่ก็มีบางคนหรือบางครั้งที่ไม่กลัวตายอันที่ไม่กลัวตายเพราะว่าอาจจะหน้า ม, มืดนะมีความโมโหโกรธา นะหรือว่ามีความเครียดแค้น mm hmm. ก็เลยทำอะไรที่มันบ้าบิน่น mm hmm. เสี่ยงตายหรืออันตรายเราจะเป็นประเภทว่าคึกค่นองอยากสนุกนะ mm hmm. ก็ไปทำกิจกรรมที่มันเสี่ยงอันตรายจนบางทีถึงตายก็มีเช่นขับรถสิ่งหรือยกพวกตีกัน มีไม่น้อยนะที่ยอมตายเพราะว่าหน้ามืดอีกแบบหนึ่งนะคือความโลภนะยอมตายเสี่ยงตายเพื่อทรัพย์หรือว่าเพื่อชื่อเสียงเพื่อความเด่นความดังหรือเพื่ออำนาจแม้ว่าบางครั้งจะต้องเสี่ยงอันตรายหรือว่ามีศัตรูเยอะก็ด้วยความโลภนะ ก็เลยพร้อมจะตายได้เพื่อสิ่งนั้นแต่ก็มีหลายคนนะที่เขายอมตายเนี่ยเพื่อสิ่งที่ประเสริฐกว่านั้นไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองไม่ใช่ชื่อเสียงกิตติยศนะแต่ว่าเพื่อสิ่งที่ประเสริฐกว่านั้นอาจจะเป็นเพื่อประโยชน์สุขของมือเสียชาตินะ ของส่วนรวมก็พร้อมที่จะยอมตายได้จริงๆโลกเราจเจริญทุกวันนี้ได้เนี่ยมันก็เพราะว่ามีคนประเภทนี้อยู่ไม่น้อยทีเดียวนะไม่ต้องไปยอมตายเพื่อปกป้องประเทศชาติหรือว่าเพื่อไปสู้รบตบมือใครเนี่ย บางทียอมตายโอยุที่ตนเนี่ยเพื่อความรู้เพื่อสิ่งที่มีคุณค่านะต่อมนุษยชา ต, ติความรู้ที่เรามีทุกวันนี้เนี่ยจำนวนไม่น้อยเลยนะมันก็ได้มาด้วยการเสียสละของผู้คนนับไม่ถ้วนนะ ไม่ใช่แค่ทุ่มเทศึกษาค้นควา้าเรียกว่าแบบเอาชีวิตเขาเ้าแลกตัวนั้นนะบางทีก็พร้อมยอมตายนะเพื่อปกป้องรักษาสิ่งนั้นเอาไว้เมื่อสักกสิบปีเนี่ยนะที่ประเทศรัศเสเซียเนี่ยมันมีนักวิทยาศาสตร์นะ เป็นนักพันธุศาสตร์คนหนึ่งที่มีชื่อมากชื่อบารบีโลฟต่เป็นคนที่ทุ่มเทเพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืชโดยเฉพาะธัญพืชเช่นข้าวเนี่ยข้าวสาลีข้าวฟ่างแล้วยเขาขนควายนะในการที่จะหาพันธุ์ดีๆมาเพื่อที่จะทำให้พันธุ์ข้าวมันดีขึ้นเรื่อยๆเพื่อว่าจะได้เลี้ยง ผู้คนไม่ใช่แค่คนรัเสเซียนะแต่ว่าประชากรโลกแล้วเขาก็พบว่ามันมีพันธุ์พืชหรือพันธุ์ข้าวมากมายนะที่สูญหายไปสูญพันธุ์ไปเช่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากนะเพราะว่าพันธุ์ข้าวนี่ทุกพันนะุ์นี่ยมันมีคุณค่าไม่วันนี้ก็วันหน้าแล้วเขาก็กลัวนะว่าพันธุ์ข้าวนี่มันจะโหดหายไปเรื่อยๆนี่ก็เลย พยายามรวบรวมนะ ว, ว่าเดินทางทุ่มเทเก็บพันข้าวที่นั่นที่นี่มาแล้วตัหลังนี่ก็ไม่ได้ทำคนเดียวนะมีลูกศิษย์ลูกหานี่มาช่วยด้วยบอกว่าเขาเก็บได้มาถึงเกือบสองแสนนะชนิดพันเฉพาะที่เป็นพันข้าวอย่างเดียวนี่ก็แสนหะ้าไม่นับธั ญ, ญพืชชนิดอื่นนะ อีกหลายหมื่นเนี่ยก็เลยเกิดธนาคารมาเมล็กพันธุ์เนี่ยแห่งแรกขึ้นในโลกที่รัเสเซียที่เมืองเรนดิงกราดทุกอย่างก็ดูจะน่าจะราบรื่นนะแต่พรากว่ามันเกิดสงครามโลกนะเกิดสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยแล้วก็เยอรมันเนี่ยนะก็กรีธาทับมาเพื่อที่จะยึดครองรัเสเซีย แล้วก็เมืองหนึ่งที่เยอรมันเนี่ยต้องการยึดให้ได้คือเมืองเลนินกราดนะซึ่งเดี๋ยวนี้เปลี่ยนชื่อเป็นเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กไปแล้วกลับไปเป็นชื่อเดิมช่วงนั้นเนี่ยนะวาบิรลบนี่ก็ถูกจับเข้าคุกเพราะถูกกั่นแกล้งแล้วตอนหลังก็ตายในคุกแต่ลูกศิษย์ลูกหาเขานี่ก็ยังทำงานอยู่นะพอเกิดสงครามนี่นะ เลยจึงกลาดถูกรอมเนี่ยลูกเสืลูกหาของวาวลรอบนี้เขาก็เป็นห่วงนะมนเมล็ดพันธุ์เนี่ยที่เก็บสะสมมานี่มห า, าศาลเลยกลัวจะถูกทำลายนะกลัวจะโดนระเบิดก็พากันไปเก็บรักษาไว้ใต้ถุนใต้ถุนตึกแล้วก็ดูแลมันอย่างดี แต่ว่าในการล้อมเนี่ยเมืองเลนิงการาดเนี่ยมันไม่ใช่แค่ล้อมเดือนสองเดือนนะมันล้อมเป็นปีนะรวมแล้วนี่ก็เก้าร้อยวันนะหรือว่าเกือบสามปีโยคนล้มตายกันมากมายยิ่งกว่าอยู่เคลนตอนนี้สิยนะอยู่เคลนตอนนี้แค่ล้อม ไม่ถึงเดือนนะแต่ว่านี่เลนินกราดยังโดนถูกรอบอยู่ยีเดือนนะนอกจากระเบิดนะซึ่งมันทำลายตึกทำลายผู้คนแล้วเนี่ยเพราะว่าตอนหลังเนี่ยคนก็เริ่มขาดอาหารอาหารมันไปไม่ถึงนะคนในเมืองเลนินกราดก็ใจเด็ดนะไม่ยอมแพ้นะ ไม่ยอมแพ้แต่ว่าชิวโหยหิวโหยทําไงนะก็ต้องหาอาหารเท่าที่จะมีนะแต่ก่อนนี้ก็ล่าหนูนะหรือว่าฆ่าแมวฆ่าหมาหม้ามากินเป็นอาหารตอนหลังไม่เหลือนะก็ต้องเอาสิ่งที่พอจะหาได้เป็นอาหารเนี่ยเป็นรองเท้า เข็มขัดเนี่ยเอามาต้มนะเป็นอาหารหมดแล้วไม่เหลือนี่ก็ทำยังไงนะเปลือกไม้บางคนก็เอาศพเนี่ยมาแกเป็นเนื้อกินกันรู้สึกว่าวาปิลอบเนี่ยนะก็เลยต้องพยายามที่จะปกป้องดูแลรักษาไม่ให้คนเนี่ยมาขโมย เอ า, มาเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ไปกินเป็นอาหารเราต้องดูแลกันอย่างแน่นหนาใกล้ชิดเลยกลัวคนจะมาขโมยไปเพราะมันห้ามไม่ได้มันหิวมากแต่คนที่เฝ้านี่ก็หิวเหมือนกันนะไม่มีอะไรจะกินเหมือนกันนะแต่ก็ใจเด็ดนะไม่ยอมแตะเลยนะไอ้อไมเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ ตัวเองรักษาเนี่ยซึ่งมันมีเยอะมากนะเป็นกิโลกิโลเนี่ยเป็นหลายร้อยกิโลเลยนะเพราะว่าตัวอย่างนี่มันต้องสอง 0,000 กว่าตัวอย่างเนี่ยมันเยอะมากแต่แม้จะหิวยังไงนี่ไม่แตะเลยนะจนกระทั่งตายนะตายเพราะหิวตายเพราะขาดอาหารมี9คนนะที่ตายเพราะขาดอาหารทั้งที่ ในห้องนี่นะโมมีอาหารเต็มเลยมเมล็ดพันธุ์เนี่ยแต่ไม่ยอมแตะเลยม้นมีบางคนที่ก็ตายคาโต๊ะนีรอบโต๊ะนี้ก็มีถุงข้าวนี่เต็มไปหมดเลยโมันน่าทึ่งมากนะแล้วก็นานับถือน้ําใจมากเพราะว่าท่า น, นที่หิวแต่พร้อมที่จะตายโดยที่ไม่ยอมแตะนะมนเมล็ดข้าวที่เก็บสะสมมาเลย เพราะอะไรเพราะเขารู้ว่มันไม่ใช่ของมันไม่ใช่ข้าวธรรมดานะมันเป็นสมบัติของมนุษยชาติมันเป็นของที่มีค่ามากเพราะถ้าขืนกินมันไปนั้นก็เท่ากับว่าเมล็ดพันธุ์พวกนี้จะสูญพันธุ์ไปจากโลกเลยเพราะมันไม่เหลือแล้วนอกจากที่นี่ว่าคนธรรมดาเนเวลาหิวข้าวนะมันจะตายให้ได้เนี่ยนะแม้แต่ศพนี่ ของลูกนี่ยังเทียงแกละเอามากินเลยกินสดสก็มีนะแต่ว่าลูกสิษย์ขอาวิลรอบเนี่ยพวกเหล่านี้นี่เขยอมตายเลยทนะั้งที่ร่างกายนี่มันเรียกร้องนะแต่ว่าจิตใจเนี่ยมันไม่ยอมนะเพราะรู้ว่าเมล็ดข้าวเหล่านี้เนี่ยมันมีคุณค่าในต่อประเทศชาติต่อโลกมาก แล้วสุดท้ายก็รักษาไว้ได้จริงๆนะแล้วมันก็ไม่ได้ข้าวแล้ว น, ะนั่นนี่มันก็เป็นไปกลับมาเป็นประโยชน์นะต่อวงการพันธุศาสตร์เพราะว่ามันช่วยในการนะปรับปรุงพันธุ์พืชนะไม่ใช่เฉพาะวันนี้หรือในอดีตเท่านั้นนะแต่ว่าจะรวมถึงในอนาคตด้วยอันนี้มันก็เป็นตัวอย่างของคนที่ ยอมตายทั้งที่ก็รักตัวกลัวตายเหมือนกันนะแต่ว่าทำไมถึงยอมตายนะก็เพราะเขาเห็นถึงคุณค่าของสิ่งที่เขาทำนะเขาให้ความสำคัญกับสิ่งที่เขาทำเนี่ยให้ความสำคัญกับความรู้ให้ความสำคัญกับมเมล็ดพันธุ์เนี่ยว่ามันมีความหมายมากมันมีความหมายยิ่งกว่าชีวิตของเขา คนเราเนี่ยถ้าว่าเรามีความมุ่งมั่นในสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวเรานะไอการที่จะตายเพื่อสิ่งนั้นก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จริงมันก็ยากนะแต่ว่ามันทำได้และโลกก็มีคนแบบนี้เยอะนะธรรมชาติขุงเราก็เห็นแก่ตัว แต่ว่าคนเราเนี่ยถ้าว่าเรานะให้คุณค่ากับสิ่งที่มันใหญ่กว่าตัวเราเช่นโลกหรือมนุษยชาติเนี่ยหรือแม้แต่ประเทศชาติไอตัวกูเนี่ยหรือตัวตนมันก็จะมีความหมายน้อยล ง, งก็พร้อมจะสละนะชีวิตเนี่ยเพื่อสิ่งที่ประเสริฐกว่า สิ่งที่ใหญ่กว่าตัวเองได้มันมีคนแบบนี้เยอะมากนะซึ่งทำให้โลกเราเนี่ยจเจริญก้าวหน้ามาได้ทุกวันนี้หรือว่ามีชีวิตที่สุขสบายมีคนจำนวนไม่ น, าน้ายนี้ไม่น้อยที่เขารักความรู้นะทุ่มเทพเพื่อความรู้แล้วก็ยอมตายเพื่อความรู้นะหรือบางทีไม่ถึงก็อาจจะ อาจจะไม่ตายแต่ว่าก็เสี่ยงตายเพื่อความรู้อย่างเมื่อร้อยปีที่แล้วนี่มันก็มีนะมีหมอหมอหนุ่มคนนึงนะชาวเยอรมันแกสงสัยอยากจะรู้นะว่าคนเราเนี่ยจะสัมผัสหัวใจเนี่ยได้ด้วยสายสวนหรือไม่นะสมัยนั้นความรู้เกี่ยวกับหัวใจคนเรามันมีน้อยนะเมื่อร้อยปีที่แล้วเนี่ย แต่เขาก็อยากรู้นะว่าเนี่ยหัวใจของคนเราเนี่ยเราจะสัมผัสมันได้หรือจะเข้าถึงมันได้โดยใช้สายสวนได้ไหมคือโดยไม่ต้องผ่านะเพราะสมัยก่อนเนี่ยถ้าผ่าเมื่อไหรก่ก็ตายเมื่อ น, นั้นแหละแล้วเขาก็ทำยังไงนะเขาทดลองด้วยตัวเองเลยเอาสายสวนเนี่ยทิ่มนะไปในหลอดเลือดในเส้นเลือดที่แข็งตัวเองเนี่ยแล้วค่อยๆค่อยๆแทงหลอดเลือดขึ้นไปมันเจ็บนะเจ็บก็เจ็บนะ แต่ว่าอยากจะรู้มันไม่ใช่แค่ความอยากรู้อยากเห็นธรรมดานะมันเป็นเรื่องของความรู้ที่มีคุณค่าซึ่งเขาต้องอยากจะหาคำตอบให้ได้ล้วก็แทงสายสวนไปเรื่อยๆแทงสายสวนไปเรื่อยๆทีละนิดทีละนิดจนกะท่งมันถึงไหลเขาไม่หยุดแค่นั้นเขาไปต่อนะไปต่อนะจนกระทั่งสายสวนนั้นเนี่ยมันสามารถจะไปแตก หัวใจของเขาได้บุคคลดีใจมากเลยนะว่ามันทําได้แล้วเขาดีใจยิ่งกว่ น, นั้นนะที่เขาพบว่าเมื่อหัวใจมันถูกกระทบด้วยสิ่งแปลกปลอมแล้วเนี่ยมันไม่หยุดเต้นอันนี้เป็นความรู้ใหม่ที่เขาไม่เคยรู้มาก่อนแล้วเขาดีใจมากเลยนะแปลว่าอะไรแปลว่าตอนนั้นนี้เขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าถ้าเกิดสายสวนนี่มาไปถูกหัวใจเลยหัวใจจะหยุดเต้นด้วย เขาไม่รู้เลยนะอาจจะตายก็ได้นะแต่ว่าเขาอยากจะทดลองด้วยตัวเองเพื่ออะไรเพื่อหาความรู้และสุดท้ายเขาก็ได้ความรู้นะว่า1เนี่ยสายสวนเนี่ยถ้าทิ่มจากเส้นเลือดในแขนเนี่ยมันสามารถจะต่อไปถึงหัวใจได้และ2เมื่อสายสวนมันไปถูกหรือกระทบหัวใจแล้วหัวใจไม่หยุดเต้น ให้ความรู้นี่มีประโยชน์นะเพราะตอนหลังเนี่ยเราก็ใช้ความรู้นี่แหละในการผ่าตัดหัวใจในการทำบาบพาสหรือว่าในการรักษาโรคหัวใจที่ทำกันเป็นธรรมดาทุกวันนี้เรื่งก็ น, น่าสนใจนะเขาพอเขารู้แล้วนะเขาต้องการที่จ ะ, ะมีหลักฐานยืนยันนะว่าทำได้เขาก็ พาตัวเองเนี่ยไปเอกซเรย์นะเอกซเรย์ที่โรงพยาบาลนะให้โรงพยาบาลเอกซเรย์นะว่าเนี่ยมันทำได้นะเนี่ยนะเป็นหลักฐานยืนยันโอกวิ่งไปที่โรงพยาบาลนะพร้อมๆกับไอ้สายที่มันคาอยู่ที่หัวใจนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเรื่องธรรมดานะแต่เขาทำเนี่ยเพื่อ ไม่ใช่เพื่อความเด่นความดังแต่เพื่อความรู้อันนี้นก็เป็นเรื่องของคนที่ยอมตายนะหรือยอมเสี่ยงอันตรายเนยเพื่อความรู้ทางวิชาการและมันไม่ใช่แค่ความรู้ทางวิชาการทางแพทย์นะความรู้แขนงอื่นก็เหมือนกันรวมทั้งความรู้ทางพุทธศาสนาด้วยความรู้ทางพุทธศาสนาเนี่ย ที่สำคัญสำคัญนี่นี่มันจะว่าไปนี่มันก็เกิดจากการอุทิศตัวของผู้คนจำนวนไม่น้อยนะไม่ใช่เฉพาะพระไม่ใช่เฉพาะนักบวชนะแต่มีอีกเยอะเลยรวมทั้งฝรั่งด้วยเมื่อสองรอปีก่อนเนี่ยมันมีหนุ่มฮังการีอีกคนหนึ่งนะเรียกว่าฮังการียนก็แล้วนาอยากรู้นะว่าล่างเงาของ ชนเผ่าฮังการีนเนี่ยมันมาจากไหนแล้วเขาก็เดาว่าคาดว่ามันคงจะต้องมาเถวเอเชียกลางเขาก็เลยเดินทางเลยนะเดินทางด้วยเท้าเนี่ยจากฮังการีเนี่ยซึ่งอยู่ยุโรปเนี่ยไปเอเชียกลางแล้วก็ไปต่อนะจนถึงอินเดียเท่านั้นไม่พอนะต่อไปอีกหนะ่อยจนไปถึงลาดดักแล้วก็ไปเจอสำนักไปเจอวัดทิเบต เขาเกิดสนใจภาษาที่เบตขึ้นมาแล้วยิ่งมารู้ว่าวัดที่เบตวัดนั้นเนี่ยมีคำภีที่เบตเยอะมากเลยนะเขาก็เลยเปลี่ยนเป้านะมาเรียนภาษาที่เบตไม่มีความรู้อะไรเลยนะเริ่มจากศูนย์เรียนภาษาที่เบตจากลามะแก่ๆคนนึง และการเรียนข้อนี้มันน่าทึ่งมากนะเพราะว่าเขาไม่มีอะไรเลยทั้งเรียนภาษาที่เบแล้วก็เรียนอ่านคำพีที่เบเนี่ยเขาเรียนใช้เวลาเ ป, ป, ป, ป็นปะีๆนะแล้วก็อยู่แบบอยู่แบบลำบากมากนะเพราะว่าลาดักมันก็ไม่มีอะไรนะที่สะดวกสบายทุกวันเนี่ยตั้งแต่เช้ามืดเนี่ยตื่นขึ้นมาเขาก็ ลกขึ้นมาอ่านหนังสือมาเรียนภาษาทิเบตหนาวก็หนาวนะแล้วก็ไม่มีไฟจุดนะให้ความอบอุ่นด้วยนะต้องห่มตัวเนี่ยตั้งแต่เท้าตั้งแต่หัวจดเท้าเนี่ยด้วยด้วยผ้าหนาๆเนี่ยแล้วก็อ่านหนังสืออย่างจริงจังเนี่ยจนค่ำกินก็ไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่เวลานอนก็นอนกับพื้น ไม่นอนกับเสือนะอาหารเนี่ยก็ไม่ค่อยมีอะไรมากแล้วเขาก็ไม่ทำอะไรเนี่ยทุกวันเนี่ยก็ทาอย่างนี้เช้ามือตื่นขึ้นมาก็มาอ่านหนังสือโคนคว้านะจนค่ำนอนตื่นเช้าขึ้นมาก็ลุกขึ้นมาอ่านหนังสือกลางวันเนี่ยแดดแรงๆนี่ไม่เคยออกไปข้างนอกเลยนะเพื่อไปรับแดด ก็ครุกอยู่กับหนังสือเนี่ยเนะที่ยวก็ไม่เคยเที่ยวนะตอนหลังเนี่ยเขาสามารถที่จะอ่านภาษาทิเบตจนแตกเลยนะแล้วก็เขียนตำรานะไวยากรณ์ทิเบตแล้วเขียนและทำพจนานุกรมทิเบตอังกฤษนะเป็นฉบับแรกของโลกนะั้นั้นไม่พอยนะยังอุตสาห์แปลนะ คำพีที่เบสซึ่งในวัดนั้นเนี่ยที่ลาดักเนี่ยมันมีเป็นร้อยๆ อ, อยผูกเลยนะโอเ้เขาน้าเขาคล่่าเคร่ ง, คงมากนะแป่โดยที่ทั้งวันทังวันไม่ทำอะไรเลยเป็นปีๆใช้ชีวิตเหมือนกับนักบวชนะคนที่มาเห็นบอลนี่เหมือนกระลือสีเลยไม่ทำอย่างอื่นเลยนะเที่ยวไม่เที่ยวนะ หรือว่ากินอาหารอร่อยก็ไม่สนใจแถมเป็นบังษาวิรัตเนี่ยเป็นส่วนใหญ่ด้วยเหล้าก็ไม่แตะจกนกระทั่งพอทำทาได้เยอะแล้วเนี่ยก็พบว่าที่กากัตตาเนี่ยนะมันมีคำพีที่เบสเยอะมากเลยเขาก็ไปที่นั่นนะไปเพื่ออะไรเพื่อไปแปล ก็เก็บตัวอยู่เนี่ยเหมือนเดิมนะทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนนะแล้วผลงานเขาเนี่ยมันสําคัญมากนะเพราะว่าผลงานเขามันทำให้ทำให้โลกเนี่ยรู้ว่าไอ้คำพิธีเบสเนี่ยมันแปลมาจากภาษาสันสกฤตในอินเดียและทําให้พบต่อมาว่าเนี่ยศาสนาพุทธในทิเบตเนี่ยมันมี ที่มาหรือมินติงกําเนิดที่ประเทศอินเดียอันนี้เป็นความรู้ใหม่มากนะเพราะ200ปีก่อนเนี่ยมันไม่มีใครรู้ว่าพุทธศาสนาเนี่ยเคยเจริญรุ่งเรืองที่อินเดียเพราะว่าพุทธศาสนาเนี่ยสูญพันไปสูญหายไปเกือบพันปีแล้วไม่มีคนรู้ น, นะว่าพุทธขย า, าเนี่ยคืออะไรนะสถานที่สําคัญในพุทธศาสนาในปัจจุบันเนี่ยตะกอนี่เมื่อ200ปีก่อนไม่มีใครรู้ ว่ามันเป็นสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนารวมทั้งาสารนาฏนคนไม่เคยรู้นะว่าอินเดียเนี่ยเคยมีพุทธศาสนาที่เจริญรุ่งเรืองแต่ผลงานของเนี่ยฮังกา ร, รียคนเนียชื่อเดอะโคโรสเนี่ยโชมาเดอโคสเนี่ ย, ยมันมีส่วนทำให้โลกได้รู้ว่าเนี่ย อินเดียเนี่ยมันเคยมีพุทธศาสนาที่เจริญรุ่งเรืองมาก่อนแล้วก็รู้ต่อมาในเวลาต่อมาได้ว่าเนี่ยพุทธศาสนาเนี่ยมีพระพุทธเจ้าเป็นาศาสดาแล้วก็รู้เพิ่มขึ้นว่าเนี่ยพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นมาจตกูลศักยะวงศ์นะมีบิดาเชื่อสุทโททนะประวัติศาสตรพุทธเจ้าเนี่ยนะมันรู้เกิดมัน เรารู้เรารู้ได้เนี่ยเพราะว่าเนี่ยคนคนเหล่านี้ซึ่งก็มีเดอะคอร์รสนี่คนหนึ่งเพราะนั้นคนนี้ก็เป็นคนที่เรียกว่ามีความสำคัญต่อพุทธศาสนามากนะที่น่าสนใจคือเขาไม่ได้นับถือพุทธศาสนานะเข า, เขาไม่ได้เขาได้เป็นพุทธเลยนะแต่ว่าที่เขามาทุ่มเทเนี่ยเรียกว่าทั้งชีวิตเลยนะ ยีสกว่าปีเนี่ยเาเพราะเ็เห็นคุณค่าของคำพีทางพุทธศาสนาแบบวัชรยานว่ามันมีคุณค่าทางวิชาการและทางวรรณกรรมมากนะแล้วก็มีความสุขที่จะเปิดเผยเรื่องนี้ให้โลกรู้อันนี้เป็นตัวอย่างนะของคนที่ทุ่มเทชีวิตเนี่ยเพื่อที่จะทำสิ่ง ที่มีคุณค่าแล้วก็มีความสุขด้วยนะเป็นแบบอย่างของคนที่ทำงานด้วยฉันทะคือคนเรามักจะมองว่าเนี่ยจะทำงานอะไรมันต้องทำด้วยตัณหาทำด้วยความโลภอยากเด่งอยากดังอยากได้ชื่อเสียงถ้าทำด้วยแรงจูงใจอย่างอื่นนี่มันไม่มีผลหรอกแต่ว่าเดโครสนี่เห็นเลยนะเป็นตัวอย่างเลยนะว่าถ้าทำด้วยฉันทะแล้วเนี่ยโอ้มันมี อันนี้ส่งมากมันมีพลังมากทีเดียวนะเพราะว่าเขาเนี่ยทุ่มเทกับงานไม่ได้สนใจชื่อเสียงไม่ได้สนใจเงินเดือนนะอยู่น้อยกินน้อยนะสมถรมากแต่ทำด้วยใจรัก ท, ทั้งที่ก็ไม่ได้ทำไม่ได้เป็นชาวพุทธนะไม่ได้ทาด้วยศรัทธาแต่ทำด้วยใจรักแล้วก็ชื่อเห็นนะว่าความสุขเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเกิดจากการเสพ ไม่ได้เกิดจากการกินอาหารอร่อยมีชื่อเสียงมีเงินมากหรือว่าไปเที่ยวคนไม่คิดว่าความสุขเกิดจากการเสดเกิดจากการมีการได้แต่ว่าคนอย่างเดอะคอรสเนี่ยมันชื่อเลยนะว่าความสุขเกิดจากการทำก็ก็มีความสุขนะทั้งที่ช่วยเขาเนี่ยดูเหมือนจืดชืดมากแล้วมันลำบากทุลักทุเลแต่ก็มีความสุขมีความสุขที่ได้ทา แล้วก็ไม่สนใจอย่างอื่นเลยนะเสื้อผ้านาผมไม่สนใจไม่ทั้งอาบน้ำเพราะว่าในทำให้เขาเสียเวลามีเวลาน้อยลงกับการทำสิ่งที่เขาลัก แ, แล้วคนร้อนนี่ถ้าเข้าถึงความสุขนะจากการทำเนี่ยนะโอ้มันมันพิเศษมากเลยแล้วคนอย่างนี้นะทั้งที่เาไม่รับถือพุทธศาสนานะแต่ว่าเป็นชาวพุทธแท้ๆเลย นะเราไม่แต่เนื้อก็ไม่ค่อยกินอยู่อย่างสมัติทุ่มเทเพื่อการแปลคำภี์ทางพุทธศาสนานะเป็นประโยชน์กับวงการพุทธศาสนามากก็ดีนะที่ญี่ปุ่นเนี่ยยกย่องให้เป็นพระโพธิสัตว์นะนะประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขานับถือมากนะดโคลอสเนี่ยยกย่องให้เป็นโพธิสัตว์เลยซึ่งก็สมควรนะเพราะว่าเพราะก็แม้อาจจะเป็นชาวคริสต์นะแต่ว่าสิ่งที่เขา เป็นสิ่งที่เขาเนี่ยมันชอบพุทธแท้ๆเลยชาวพูดทธอีกนะที่ทําไม่ได้อย่างเขานะและ้วก็เชื่อเนาะคนเราเนี่ยถ้าว่ามีจุดมุ่งหมายนะที่แน่วแน่โดยเพราะจุดมุ่งหมายที่ประเสริฐที่มันใหญ่กว่าตัวเองนะอืมันก็ทําให้คนเราทุ่มเทไดท้ว่าไปแล้วสี่ที่เขาทาเนี่ยงานแปลเนี่ยมันก็เป็นการภาวนาอย่างหนึ่งนะนะเขาภาวนาด้วยการแปลหนังสือ ้วช่วยทำให้เขามีสมาธิแล้วก็ช่วยลดละตัวตนด้วยนี่ขนาดนะขนาดสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันมันมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ประเส ร, ริฐเท่ากับนิพพานนะชาพลอนจึงถือว่านิพพานนี่ประเสริฐที่สุดแต่ว่าแม้เพียงนั้นเนี่ยนะเขาก็สามารถที่จะเสียสละแล้วก็ทุ่มเทได้เยอะ ยิ่งถ้าว่าเราชาวพูดธเนี่ยถืออนิพานเป็นเป้าหมายเนี่ยในการที่จะยอมตายเพื่อพระนิพพานเนี่ยมันก็ก็อาจจะไม่ใช่เรื่องยากแต่ที่จริงเนี่ยครูบาอาจารย์สมัยก่อนเนี่ยท่านก็ยอมตายนะเพราะว่าท่านหมินพระนิพพานเป็นที่หมายเนี่ยไปทุดดงเสี่ยงอันตรายเนี่ยเพราะว่ามีจิตมุ่งต่อพระนิพพานหรือถึงแม้เราจะไม่ปรารถนานิพพานเนี่ย นะแต่ว่าถ้าว่าเราเนี่ยเมื่อมาเรามาภาวนานเนี่ยถ้าเราทุ่มเทเนี่ยอย่างเอาแค่หนึ่งในส0อย่างดุโคร์สนี่นะมันคงจะเจริญก้าวหน้ามากทีเดียวนะการปฏิบัติคงจะเจริญก้าวหน้านที่ฉะนั้นที่เขาไม่ได้มีนิพพานเป็นเป้าหมายนะแล้วก็ไม่ได้มุ่งเพื่อความพ้นทุกข์นะแต่สิ่งที่เขาทำานี่มันมันเป็นความเสียสระเป็นความยิ่งใหญ่มาก แล้วขนาดเดียวกันมันก็เป็นการลดละตัวตนด้วยยิ่งทำเพื่อผู้อื่นมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งลดละตัวตนมากเท่านั้นมันไม่ได้แยกจากกันเพราะฉะนั้นในคนเราเนี่ยถาาว่าเรานะคิดถึงตัวเองน้อยลงเท่าไหร่หรือว่าแต่คิดถึงสิ่งอื่นที่มันใหญ่กว่าเราหรือสิ่งที่ประเสริฐกว่าเนี่ยไอ้การที่จะทุ่มเทเสรสละแล้วก็สร้างสิ่งที่มีประโยชน์ต่อโลก หรือมีคุณค่านี่มันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ไม่ยากทำที่พูกเท่านี้นะเอากาับ